และสลายไปไหนที่สุดเหตุผลก็คือมันอักธรรมนั่นเองในบทนี้ได้มีข้อความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผู้ 6 ครั้งด้วยกันคือครั้งที่ 1 เตือนบรรดาผู้ศรัทธาว่าอย่าหนีการสู้รบครั้งที่ 2 ให้เชื่อและปฏิบัติตามคําสั่งของท่านรอซูลครั้งที่ 3 ให้ตอบรับคําเชิญชวนและคําเรียกร้องของทะรอซูลครั้งที่ 4 เตือนไม่ให้เผยความลับให้ฝ่ายศัตรูได้ทราบครั้งที่ 5 แจ้งให้ทราบว่าผลของการยำเกรงอัลเลาะห์นั้นจะทําให้สามารถแยกความจริงออกจากความเท็จครั้งที่ 6 ให้ยืนหยัดในการต่อสู้รําลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆแล้วจะได้รับความสําเร็จและชัยชนะ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 เป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยัสอลูนะกะอานิลอันฟาลกูลิลอันฟาลลิลลาฮิวรระซูลฟัตตะกุลลาฮะวัสลิหูซาตัยนบัยนุกุม وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับทรัพย์สินของเฉลยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าบรรดาทรัพย์สิน และจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เถิดหาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอินนัลมุอ์มินูนัลละซีนาอิซาดุกิรัลลอฮุวะจลัตกุลูบุมวะอิซาตุลียะอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุฮุมอีมานันวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือผู้ที่เมื่อคําเตือนของอัลเลาะห์ถูกกล่าวขึ้น หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นก็ได้เพิ่มพูนความศรัทธาให้แก่พวกเขาและแด่พระผู้เป็นบานของพวกเขานั้นพวกเขาจะมอบหมายอัลลอซีนะยูกีมูนัสศอลาตวะมิมมารซอกนาฮุมยุนฟิกูนคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพ แก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาคอูลากะฮุมุลมุอ์มินูนฮักกอละฮุมดะเราะจาตุนอินดะร็อบบิฮิมวะมะฆฟิเราะตุนวะริซกุนกะรีมชลเหล่านี้คือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงโดยที่พวกเขาจะได้รับหลายขั้นณพระผู้อุปถัมภ์ของพวกเขาและจะได้รับ การอภัยโทษและปัจจัยอย่างจีบอันมากมาย كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا وان فريقا من المؤمنين لكارهون เช่นเดียวกับการที่พระผู้อิบันของเจ้าได้เจ้าออกประจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริงและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้สถานนั้นรังเกียจ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 โดยที่พวกเขาก็เห็นกันอยู่ว่าอี ยعيدكم الله يحد الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لا คงรำลึกถึงขณะที่อัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเจ้า ซึ่ง 1 ใน 2 กลุ่มว่าว่ามันเป็นพวกเจ้าและพวกเจ้าชอบที่จะให้กลุ่มที่ไม่มีกําลังอาวุธนั้นเป็นพวกเจ้าแต่ลอส่งต้องการให้ความจริงปรากฏขึ้นด้วยดํารัสของพระองค์และจะทรงตัดขาดถึงคนสุดท้ายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายลีฮิกกัลฮักกะวะยับฏิลัลบาฏิลวะลอกะเราะฮัลมุญริมเพื่อพระองค์จะให้สิ่งที่เป็นจริงได้ปรากฏเป็นความจริง และสิ่งเท็จปรากฏเป็นสิ่งเท็จและแม้ว่าบรรดาผู้กระทำความผิดไม่พอใจก็ตามอิซตัสตากีซูร็อบบะกุมฟัสตัจาบะลากุมอันนีมุมิดุกุมบิอัลฟ์มินัลมะลาอิกะติมุรดิฟีนจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือในยามคับขันต่อพระผู้อิบันของพวกเจ้าและพระองค์ก็ได้ตอบสนองแก่พวกเจ้าว่าแท้จริง ข้าจะเสริมให้พวกเจ้าด้วยมลาอิกะห์ 1,000 ตนโดยทยอยตกลงมาและมา جعل له الله الا بشره ل تطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم และอัลเลาะห์นั้นไม่ได้ทรงให้มันมีขึ้นนอกจากเป็นข่าวดีเท่านั้นและเพื่อว่าหัวใจของพวกเจ้าจะสงบขึ้น และไม่มีการช่วยเหลือนอกจากที่มาจากที่อัลเลาะห์เท่านั้นแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอีซียุกัชชีกุมมุนนาสะอะมะนะตัมมินฮูวะยุนซิลุอะลัยกุมวะยุนซิลุอะลัยกุมมินัสซะมาอ์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 سِنْقْوَامْ سُومُمْ خُوشَايْتَانْ وَلَأَفُرْ تِجَا سُونْغْ ភُو គُوا ចៃខោ ភُو គែវ وَលَأَسُងْ ហៃថាវម៉ាន់ខងឌឿយណាមណាន់អ៊ីឌីយូហ៊ី រَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ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 และพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านคอและจงฟันทุกๆส่วนของปลายนิ้วมือพวกเขา ذلك بانهم شاققوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب นั่นก็เพราะพวกเขาฝ่าฝืนอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้ว แท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษดังกล่าวนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมันเถิดและแท้จริงสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือการลงโทษแห่งไฟนรกเยไอฮาอัลลอดีนอามะนูอิซาลากีตุมุลลอดีนกะฟะรูซะห์ฟันฟะลาตะวัลลูฮุมุลอัดบาวโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเคลื่อนเข้ามา พวกเจ้าจงอย่าหันหลังหนีพวกเค้า อوماไม่ วัลลิฮิมยามาอิดดุบเราะฮูอิลลามุตะฮัดฟัลลิกาลอาวมุตะฮัยซาอาวมุตะฮัยซันอิลาฟาอะตินฟะกอดบาอะบิฆอดับมินอัลลอฮ์วะมาอวาฮูญะฮันนัมวะบิซัลมะซีดละไม่มีใครหันหลังหนีพวกเค้าในวันนั้น ยกเว้นผู้ที่เตรียมการเพื่อการทําสู้รบหรือผู้ที่ไปร่วมมือกับอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแน่นอนเขาย่อมนําความเกรี้ยวโกรธจากอัลเลาะห์กลับไปและที่อยู่ของเขานั้นคือนรกยานนําซึ่งเป็นที่กลับไปที่เลวร้ายยิ่ง